เรื่องห้ามภิกษุเท้าเบียกเหยียบเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนา ส, ะส น, น, าเเเสนาสะเสนาสนะเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทเท้าเปียกไม่พึงเหยียบเสนาสนะรูปใดเหยียบต้องอาบัดทุกกฎ